ตั้งต่ออีกสักสามสิบนาทีเราได้สาธิยายพระสูตรมาสามสิบนาทีให้หลายทางเพื่อเป็นสิ่งเว้นล้อมในการปฏิบัติธรรมตั้งได้ยินได้ฟังมาตั้งมีศรัทธา มีความตั้งใจมีความเพียรมีสติปัญญามาเลือกดูชีวิตของเราเนี่ยมันปนไปมามันเลือกได้มันเลือกได้ อ, ไดอะไรผิดอะไรถูกเลือกได้อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดไม่ทุกเลือกได้มันจะฉายให้เราเห็นต่างกายทางจิตใจเรามีสติเป็นดวงตาดูเอาอย่ามีแต่ศรัทธาเฉยๆให้มีปัญญาปฏิบัติตามธรรมสิ่งที่ผิดก็อย่าไปเอาสิ่งที่ถูก ให้ประกอบขึ้นให้มันมีบ่อที่ถึงเขาบว่าที่เลือกต้องลงมือดูถ้าไม่ดูก็จะไม่เห็นงั้นเรามีตาเลือกซื่อจิิงของจิิงของที่คำว่างขายมันอาจจะปนเพื่อนไม่สะอาด เยอะก็มีดีก็มีมล้วก็เลือกได้วงใช้ของสายของสอยของอยู่ของกินผ่านจากการเลือกคัดมาเกดเอเกดบอะไรต่างๆไม่แต่วัตถุกจีงของพัสดุก่อสร้างประตูหน้าต่างก็ต้องเลือกของปอมมันเยอะ โตเตียงเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์มานของปลอมสีสนต่างๆเหีบหอของใช้ของสอยทุกวันนี้เหีบหอมันอันเขาเอาจริงจังเรื่องเหีบหอดูแล้วก็<อ>น่าใช่นะ่อะไรต่างๆที่ยิงมันไม่มีค่าอะไรก็มี <c oughs> ชีวิตของเราก็เหมือนกันโปนเพื่อนมาจากที่เราใช้ชีวิตไม่ค่อยเปลนกันก็ลงพหลังอะไรก็ไม่รู้เป็นภาระถึงโอกาสที่เราจะต้องมาเลือกได้การเจริญสติเป็นตลาดนัดของสปปรรพสิ่งทั้งหลอย <c oughs> <c oughs> มีมากมาย เกว่ากรรมคือการกระทําเวลาเข้าสู่ภาวะที่เลือกตั้งอะยกรรมฐานคือการกระทําเกิดขึ้นจะต้องเห็นมีสติดูกายมันจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นกับกายหลายอย่างตั้งสุขท้งทุกข์ต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลย อาการต่างๆเกิดกับกายแตอาจจะเราอาจจะไม่เคยเลือกสักทีเช่นความหลงความโกรธความโลภความสุกความทุกข์เอากายไปให้เกิดสูขเกิดทุกข์เกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดผิดเกิดถูกบางทีอาจจะเสียหายมาบ้างแล้ว นอกจากในกายมันเกิดขึ้นมายังหาสิ่งที่มาให้โผนเพื่อนกับมันอีกไปกินโลกไปสบอุรีไปติดใยมาก็พ อ, อายเพราะเราใช้ชีวิตไม่เป็นสิ่งเวทลอมมาค่อยดีหลายอย่างในโลกนี้ลดของโลกก็มีเยอะ ทำให้ติดรถของโลกได้แต่ใช่ไปเป็นสุขสนโตรามามีสติดูกายมันจะแสดองออกมามันติดอะไร้าที่หลักกรรมไปทำอะไรมาแัน้นก็จะติดมันเป็น วัดตะในภาษาธรรมะคมกิเลสวิบากเช่นคนสูบุดรีกรรมคือไปสูบติดก็เป็นกิเลสอยากก็เป็นวิบากแลสูกมันก็ติดก็ติดก็อยากอันนั้นเรียกว่าวัตตะสาม เพรสูบมันยังติดเพราะติดมันจึงอยากเพราะอยากมันยังสูกเพราะสูกมันยังติดเพาติดมันจึงอยากเพราะอยากมันยังสูบ อ, อะไรไมันเป็นเหตุหยุดตรงไหนสู้กันตรงไหนถ้าจะตัดกรรมเจ็บปวดสักหน่อยเหมือนกับมีฝีมีดองไปหาหมอต้องเก็บสักหน่อยให้หมอพ่าออกก็หนองออก เนื้อหน้ำทิ่มเอหน่มบ่ ง, บงออกอาจจะมีเลือดออกมาบ้างแต่ว่าอ อ, ออกแล้วมันหายกรรมกิเลตวิบากนมันอยู่ตรงไหนเหตุมันนะ่ะก็อยู่ตรงที่การกระทำอะไรคือการกระทำพอไปสูบเข้าพอไปสูบมันก็เลยติด เพราะติดก็ยิ่อยากจะไปแก้ความอยากจะไปแก้ความติดไม่ ไ, มได้ต้องแก้กรรมเรียกว่าแก้กรรมโนมีกรรมมาเราต้องแก่อย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าไม่แก้ไม่ไมันก็จะลุกลามไปถึงอะไรหลายอยา่างเป็นโทษเป็นภัยตลอชีวิตสกปรินจิงเวรโลม เราไม่สุกมันจะเจ็บปวดเจ้าหน่อยเหมืนก็พามนกับไปที่ไมมโลอบเราจะทำไงเราจะยืนให้มันไม่เข้ามาใกล้ๆหรือต้องแวกไฟออกไป <c oughs> อยู่ที่นี่จะก่อนอยู่คันเดียวดับไปป่า ดับไปข้างหน้าข้างหลังมันลุกขึ้นมาลมมันพัดหมัดมันติวไปตกข้างหน้าข้างหลังข้างข้างมันก็ดับไปทันตัวคนเดียวมองไปข้างหน้าก็มีไฟมองไปข้างข้างซ้ายข้างขวาก็มีไฟมองไปข้างหลังก็มีไฟเราจะไปยังไงล่ะเพื่อนนะมาคิดหน่อย มีทางออกทางไหนก็หาทางดูทางไหนที่ไฟมันยังมีมีย้ามีเชือกไฟอยู่ข้างหน้าอย่าโดดไปก็มองออกก็มีปัญญาทางไหนที่ไฟมันไม่มาแล้วไม่ไม่มีเชือกไฟแล้วย่าหมดแล้วไม่หมดแล้วก็โดดออกไปทางนั้นขนตาขนหัวไม่หมดเลย พอกระโดดไปมันก็ยังไม่ได้ไหมไลรอนวึบนิดเดียวก็โดดออกไปอีกสองสามสี่ห้าเก้า็มาปัดหวัวปัดเขี้วขนตาขนหวัวดูเนพะ้อเจ็บปวดนี่หน่อยได้ใหม้มันไหมเข้ามาไมหลบไม่หนีไม่ก็โจนลงดูมันก็ไม่ไหว ผู้มีพลังแก้ก็กระโจนเถืาอไกปมันชั่วโดดออกไปมันทำได้อันนี้ก็คือกรรมที่เราสร้างมาจึงมาแก่กันมันหลงว<ง>ิวิทย์เราผ่านมาเนี่ยมันหลงกับมันรู้อะไรมันมากกว่ากันมาดูซิ บางทีอาจจะฉายความลงออกมาไม่หยุดไม่หย่อนทางกายบ้างทางใจบ้างไม่มีอะไรฉายก็ใช้ออกมาเกิดสังขารป่งแต่งขึ้นมานั่นแหละโอกาสที่เราหนาทีทองแล้วจะได้ดูจะได้ฉลาดจะได้แก้นั่นมาให้เราแก้ไม่ใช่มาเหยื่อแล้ว เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยมันถูกที่สุดอะไรที่มันไม่ใช่รู้นะเปลี่ยนได้ทั้งนั้นรวมรู้จักตัวไปเกี่ยวเข้างไปเปลี่ยนได้เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนลายเป็นดีขยันรู้เอาไว้ตั้งหลักไว้เพื่อจะเลือกยืนหยัดในการเลือกให้ได้ มันเลือกได้ชีวิตมันเลือกได้สิทธิร้อยเปอเซ็นตได้มันรู้จากเลือกมันเป็นคนปนกันมากเกินไปเรียก<อ><ด>ว่าคนจุ ก, ก็มีทุกข์ก็มีลาขก็มีเกียรชัางก็มีที่เกียดขยันก็มีอ๋ออย่า<อ><อ>เกิดกับจิตกิดใจเกิดกับกายมีมากปวนกันมา น, นี่บคนต้องมารู้จากเลือกจะไปสูน่นรกไปทางต่ำมารู้จากเลือกจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาไปสูงๆก้นจากตาบายได้ถึงสวรถึงนิพพานได้ถ้าเลือกอ่ะถ้าไม่เลือกก็ไม่มีทางไปสู่โลกเท่ากับขนโคคน มากไปสู่มรรคผลที่ผ่านเท้ากับเขาของโขสองอันเท่านั้นเองเทียบเทีย บ, บไม่ได้ถ้าเป็นคนน่ะชีวิตเราจึงต้องเลือกเอมีประโยชน์เรามีพ่อมีแม่มีผัวเมียลูกหลานเชะอะไรต่างๆมากมาย แ้่เรามีศรัทธามีศาสนาศรัทธาต่อพระพุทธศาหาอย่าเพียงแต่สวดไม่ใช่หมาสวดมาอ้อนวอนต้องปฏิบัติลงไายอะไรที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นมาถ้ามีศรัทธาถ้าเชื่อเคารพพระธรรมอย่าเคารพอธรรมถ้ามีความรักพ่อรักแม่ใวนใวันในวันแม่ หลายพื้นที่ทําบุญวันแม่่างดีก็ปลูกต้นไม้อองสะอาดแสดงออกทั้งความดีถ้าไม่ความรักไม่แสดงออกเป็นรักพ่อรักแม่เราต้องใครก็รู้ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับทุกคน ยอมรับแต่เราทำยังไงจริงชื่อว่าเราความรักพ่อรักแม่เราต้องเป็นคนดีแล้วความชั่วก็แม่เรียกเรามาก็มแม่ทุกคน้ว <c oughs> แม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดีถามดูสิพ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายไม่มีใครที่ต้อง ไม่อยากให้ลูกเป็นคนดียามเจ็บเท่าหวังเจ้าพ่อรับใช้หวังยามเจ็บไข้หวังเจ้าช่วยรักษายามต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าช่วยปิดตาเวลาตายอันนี้คืความคิดไว้บันทีถ้าลูกชาย เราขึ้นมากูจะให้มันบวชคิดไว้แล้วหลางเถียนไว้แล้วขีดเชื่อไว้แล้วเรียนหนังสือจบให้บวชแล้วก็บางทีก็มีโอกาสมาบวชบางทีก็ไม่มีโอกาส <c oughs> <c oughs> ยันพ่อแม่ตายไปก็มีหลางทีโอ้ท้าหูุเฉรเห็นหลานไม่ใช่ลูก พอเห็นหน้าหลานก็เอาหลานไปอ้างถ้าเป็นหลานชายโอ้ยโตขึ้นมาให้บวชให้มันบวชหากู ด, ด้วยอาจจะไม่เห็นแล้วให้มันบวชหถอนี่ครับ้ยินคำพูดแบบนี้น่าหลยเป็นเคารพพ่อแม่ต้องเป็นคนดีเอารัพระธรรมทำยังไงต้มงหลงอย่าไปอย่าไปเคารพ บ, บัณ ถ้าหลงเป็นหลงคือว่าไม่เคารพธรรมไปเคารพความที่เป็นอธรรมถ้ามันหลงอย่าไปเคารพเคารพความไม่หลงมันมีอยู่นี่ตัวสติร้อยเปมีสธิจะไม่หลงเเล้มันทุกมีสิทธิจะไม่ทุกเวลามันโกรธมีสิทธิจะไม่โกรธแค่สิธิของเรา เลือกต่อเลือกไปเลือกไปมันจะมีอานิสงมีแต่ของดีใช่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ของดีความคิดก็มีเจอ สิ่งที่มันยื่นมาให้ใช่เป็นความรักเป็นความชังเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจมาก่อนตาเห็นรูปมีความพอใจมีความไม่พอใจออกหน้าหูได้ยินเสียงมาแล้วความพอใจความไม่พอใจออกหน้าจมูกได้ยินมาแล้วความพอใจความไม่พอใจออกหน้าดิ้นในรถกายสมบัติจิตใจคิดนึกไปทางนั้นหมด เมื่อเราไม่แล้วเราใช่ไหมเป็นไ ม, ม่มีแต่ว่าดูฟังหยหูต่อเห็นก็เชื่อหูได้ยินก็เชื่ออะไรที่มันสัง่งให้ไปก็ไปชอบบ้างไม่ชอบบ้างบางทีของอย่างเดียว พอใจของอย่างเดียวไม่พอใจแต่ก่อนก็รักกันผัวเมียรักกันตอนที่ก็เหม่รักกันเป็นสดตูกันฆ่าออกันได้เพราะมันใช่ไม่เป็นชีวิตที่ใช่ไม่เป็นจึงเป็นอันตรายในใจ<แ>ก็พึ่งใจไม่ได้เอาใจไว้คอยรับใช้บัน อะไรมันคิดอะไรก็ตามตามมันไม่ใช่เราใช่ใจใจมันใช่เราจิตใจมันความคิดมันใช่เราไม่มีสติไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่มั่นใจตัวเองอย่างนี้อันตรายมากสังคมคนไทยคนในโลกถ้าไม่มั่นใจตัวเองว่าจะไปอาศัยอะไร เอาคิดไปห้อยไปเขนไว้ตรงไหนชีวิตต้องเป็นชีวิตมันต้องไม่เป็นอะไรมีมมมสิทธินี่มาหัดจย่านี้มันมีจริงๆริจิตต้องหัดให้ได้อยู่ในกายเรานี่อยู่ในใจเรานี้มาเป็นมิตเป็นเพื่อนกั น, นให้มีสิ่งแวดล้อมหลายหลายอย่า ง, างก็ในฟังทาให้ดูอยู่ให้เห็น ไม่เปิดฟังเกินไปไม่พุ่งพลยเกินไปพออยู่กันได้ทวนที่จะท่าทายกันบ้างแล้วการคำสอนพืทเจ้าเนี่ยมานานเหลือเกินแล้วก็ยังเห็นอยู่ที่โลกม้อยยาคนชั่วเยอะแยะอยู่ เ, เราจะอยู่กันยังไง เ, เราต้องมานับหนึ่งจากเราเนี่ย ยกคนต้นนับหนึ่งจากเราคุยก่อนตั้งต้นถ้าเราไม่ตั้งต้นจากเราไม่ลุ้ยตั้งต้นหนึ่งที่ไหนศาสนาเป็นปัญญาศสนาปัจเจริบุคคลไม่ใช่ศาสนาที่เป็นสังคมเป็นหมู่เมื่มอมีหนึ่งแล้วจึงมีสองพระเจ้าตัดชะลูกผู้บาดขึ้นเพียงชีวิตเดียวหนึ่งแล้ว ก็เรื่งมาถึงพวกเรานะ่ะเราม<ร>ันจะนับหนึ่ ง, งลูกพ่อนี่แม่นี่เราเป็นคนหนึ่ ง, หงให้คิดอย่างนี้ครูข้อครัวนี้เราเป็นคนหนึ่ ง, งจะเป็นหนึ่งเสนอชีวิตเราสึงไหนไม่ดีแฉ้ไขให้ตัวเองให้คนอื่นช่วยกันให้เป็น คนหนังหลงไปช่วยเขาไม่หลงคนหนังโกรธไปช่วยเขาไม่โกรธคนหนังทุกไปช่วยเขาไม่ทุกโดยรูปแบบต่างๆในการปฏิบัติเกินมากช่วยกันเรื่องนี้ไม่เคยเป็นคนหนังโกรธคนที่หนึ่ง้าโกรธตามคนโกรธก่อนอาจจะไม่เป็นบาปไม่โู่คนโกรธที่หลังอาจจะโู้สองเท่าของคนโกรธ ก, ก่อน มีมากองาชีวิตไปห้อยไปเฉินไว้อยู่ดีๆเขามาว่าเราก็โกรธแล้วทั้งๆที่เราไม่เป็นไรก็โกรธให้เขาชักภัยเหมือนหนังสมโไทยยทอยกย่องก็งหัวเาะเขาเดินทาก็ลงให้เสี ย, จยใจ ช, ชีวิตมันเป็นอย่างนัง้นหรือเปรบางเกินไปต้องเข้มแข็งกันบ้างในดู่ในโลกเนี่ย <Yeah. S 1> รถของโลกมีเยอะ ถ, ถ้าไม่เจงก็มันก็ถูกโลกทับถมได้เจงต้องเลือกดูหรือว่าเข้าโคตปฏิบัติธรรมมีสูตรอยู่ไม่ใช่งบชาวหมาดังที่ well, สวรเราสาธิยายไปไปสวดนะ อย่างไงคิดว่าความเพียรแต่ของตั้งสติไว้เพื่ อ, อยังอกุศลและทำ อ, อันที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น น, นั่นน่ะตั้งจิไวการที่ตั้งสติก็วิสันทะพอใจอย่าชี้เกียจชี้แค้นันทะปยาวัติวิยาพยามัติจิตตราปรคารานติกฉันทะ พอใจที่จะต้องทํายกมือมันก็ได้ได้ประโยชน์เพื่อนหนุยใจก็รู้เทือนั้นยกขึ้นมาก็รู้วางลงก็รู้มีความพอใจมากโอ้มันปั่นนี่เนาะไปทํางานกวจะได้เงินเดือนต้องเดือนหนึ่งปลูกข้าวกว่าจะได้ข้าวกว่าจะลงครึ่งปีหลายอย่างอันควมเพียงนี้ เพียงแต่ยกมือวินาทีลู้ลู้ขึ้นมาฉันเถอาพอใจมากเร็ครองรองรูตั้งไว้ลองดูนี่คือความเพียรประกอบขึ้นมาสติมันจะเกิดเพราะการประกอบไม่ใชชิดเอาฝันเอาต้องประกอบเอกกายไปสัมผัส เอาใจผสัมผัสเอาไปต่อเอาช่วยกันมาได้ตัวใครตัวมั น, มนเราก็มีกายเราก็มีใจเจาเท่ากันหมดตามันลักษณะนในความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมือยสุขทุกข์เหมือนกันหมดมอย่านึอว่าเราคนเดียวแม้แต่พทะเจ้าที่ หวดขึ้นในโลกก็ผ่านเย่างนี้ไปอาจจะลำบากกว่าเราในการใช้ยวทตของพระองค์เป็นชาว่าชายสุขมอรชาติอยู่ก็ประสาทสามฤดูฤดูฝนก็อยู่ลงหนึ่งฤดูหนาวก็อยู่ลงหนึ่งฤดูรด้อนก็ดูอยองหนงเมื่อพระองค์ออกสอนหามโมกตธรรมเนี่ย งานที่หมงที่บองไม่มีตามท้ำบ้างตามโขนไม่บ้างเรือนบ้างบ้า ง, างลองฝางบ้างถ้ำตรงคัิลิหลวงตาเคยไปดูตรงที่บำเบ็ทุกข์กับจิริยาไปดูอาจจะลำบากต้องปีนเขาขึ้นไป ที่อยู่อาศัยไม่มีในพระวันการตัดจรวดมันเพ่นเันหกได้ดูผลด้วยจะเป็นยังไงเคยอยู่ประจา่าสารูอาจจะคิดเปรียบเทียบไม่ได้เลยไมเสาวสนมดูแลรักษาอยู่ลำพังพระองค์เดียวทำท่าจะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวยุงก็กาดโชงมาก เ้าแวเวกมาอาจจะลำบากกว่าเราถ้าเรายังงม่มิตรมือเพื่อนอุ่นใจมีพระสองมีแม่ชีมีญาติโยมมีที่อยู่อาศัยถึงเวลาก็จะให้ไปยินข้าวก็มีที่ให้กินมีที่ให้นอนหรือว่ามีสัพปปยะพอที่ใช้ในกิจการนั่นนี้ได้ไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่ถ้าดีกว่านี้ก็ไม่ต้องการมันจะหลง นี่เรีว่าฉันทะพอใจในก็ทําความดีตั้งสติไว้เพื่อยั่งอกุศลที่จะเพื่อจะป้องกันอกุศลถือพวกไม่ดีทั้งหลายเที่ยงไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกก็มีเท่านี้ต่างแยกมีเท่านี้อกุศลความไม่ดีอะไรมันไม่ดีความหลงความ คิดปุ่งจัดหลังเลี้ยงใจสุกทุกให้สุกเป็นสุกให้ทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธนั่นคืออกุศลหลงต้องเป็นไม่หลงทุก็ต้องเป็นไม่ทุกโกรธต้องเป็นไม่โกรธไม่ต้องมีอะไรมีจะเห็นมันง่ายๆไม่ต้องไปเข็นมันเหมือน ล่ยุงไล่ยุงยากกว่าต้องเอามือไปไล่ว่าไปปัดไปวีอันเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความหลงความไม่ห ล, ลงมไงมังนมไม่ยากขนาดนั้นมันหลงในเวลาไหนเปลี่ยนได้ทั้งนั้นเวลานอนมันหลงเปลี่ยนในขณะที่นอนนั่นละ่ะหายใจเข้าหายใ จ, ยจออกรู้จักตัวอยู่มันหลงเปลี่ยนไปไม่หลง เอาหายใจอันเดียวนะ่ละลหรเปลี่ยนเป็นคนละหน้าเหมือนหน้ามือหลังมืออันหนึ่งเป็นข้างหลังอันหนึ่งเป็นข้างหน้าแต่ความหลงเป็นหลังมือเพราไม่หลงเป็นหน้ามืออยงนี้มันเปลี่ยนอยู่ในตัวมันน่ะมาป้องกันเลือกเอาป้องกันป้องกันตรงนี้ก่อนมันหลงไม่หลง นี่ป้องกันเพื่ออคุศนอคุศนสวมหลงมันมีมากกว่าความไม่หลงเพราะเราไม่เคยใช่สามสิบปีสี่สิบปีไม่เคยดูเรื่องนี้เลยปล่อยทิ้งไปไม่เคยดูแหลกายไม่เคยดูแหลใจ ส, สอนสอนว่าสาธารณาโสเภณีทั้งจิตคิดอะไรก็คิดได้มันใช่ไม่เป็น พอมาดูแล้วมันโอ้มากเหลือเกินนะก็หลงมากกว่าความไม่หลงอย่างเรามาทำดูเนี่ยเรามาถานตามรูปแบบคว า, ามคับบัฐานเนี่ยสิบสี่จังหวะจังหวะหนึ่งอาจจะวินาทีหนึ่งหรือช้า ก, กว่านี้ไม่มากไบกว่านี้ไม่มากนะมันจะพอดี หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันไม่ยากไม่ อ, อุปกรณ์ก็จะมาประกอบความเพียรขึ้นมาได้ลองทับโลนกว่ากรรมมาฐานฐานก็ตั้งไว้กรรมคือการกระทำอาศัยกายเป็นฐานเป็นนิมิตตั้งไว้ก่อน มีจะดีไปในกายเช่ก่อนจะเพิงไปจับจิตแต่ว่าเวลาเห็นกาก็าจะบางเป็นถูกควบคุมในจิตอยู่พอดีไปด้วยกันเลยถ้าไปเล่นกับจิตมันจะยาก <c oughs> มันจะยากหน่อยที่เราไม่เคยหัดเช่นก่อนให้มันอ่อนเช่ก่อนเหมือนเราดัดตัวเราตามโยคะต่างๆ พอดัดไปดัดไปมาก็โอนจึงหัดเอาสติตั้งไว้ที่กายก่อนมันหยาบมันเห็นมันสัมผัสเพื่อนไบทเบอก็สัมผัสได้ลู่จากตัวดึงเรียกว่าเขย่าถ้าลู่ให้มันลู่ความลู่นี่มันบางทีก็ต้องเขยา่ากูมันเข้ามากูมันขึ้นมา มันเราปลูกให้มันตื่นลูกมันนอนอยู่เพราะแม่ไปปลูกเพี่งแต่ <Okay. S 2> เรีย ก, ยกมันไม่มไม่มไม่ตื่นเอามือไ ป, อาไปลากขามันลงมามกระเยาะไปนั่นนะไปไม่บ้านค่อยไม่ได้ต้องลากมันมากระชากามาัน่ากระชากตัวเองขึ้นมาน่ะเหมือนแม่เลี้ยงลูกสติเหมือนพ่อเหมือนแม่ เวลาลูกจะขานตกบนในนี่แม่ก็ชากอย่างแรงเลย่อันนั้นเก็บนะไม่ใช่เท่านี้ยังไม่พอถ้ามันตกลงไปมันจะตายก็ได้แต่แม่ต้องชากขาไว้ยอย่างแรงเลยเราก็ชกักคือเราคืนมานมันหลงไปชากมันแรงๆดูให้มันเฉดลาม สัมผัสความหลงสัมผัสความไม่รู้ความสัดความไม่หลงเนี่ยมันจะรู้จักต่างกันว่ากสมผัสความทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์ชาติออบาโก้ทุกอยู่ดีมาทุกข์ด้วยเนี่ยเชนี่มันก็ทุกข์ด้วยเนี่ยด่าตัวเองร้องตัวเชนี่มันก็โกรธด้วยนจะเป็นพ่อคนแม่งคนได้ไง จะเป็นผัวเป็นเมียใครได้ให้ในข้็โกรธแล้ยชาดไปลองกะเทียก ว, ว่าขม่มหรือชาดมาโกรธไว้ไม่พูดในเวลาโกรธสู้กันซะก่อย่าวว้กันไปอย่าด่วนกันไปอย่ารีบส่วนมากเรามาักจะรีบเนะเวลาโกรธรีบด่ดากันอย่างไม่อร่อย บางคนก็ด่ากันกลัวหายโกรธจะไม่ด่ารีบไปทำตามมันมันรีบกันไปต้องหยุดเสียก่อนหยุดไว้ก่อนนี่ก็ชากตัวเองให้มันคนละหมมกันละหลงมันจะเห็นคนละหมมถ้ามันเฉยเฉยมันจะไม่รู้อะไรมันหลงกับรู้มันไม่เข้าใจหรอกถ้ามันด้านๆนะให้มันจริงจัง พิกลองดูปงดป เ, เปลี่ยนลงดูปฏิบัติคือเปลี่ยนเนี่ยฉันทะพอใจในงานนี้วิทยะเพียนประกอบกิตตะเอาใจใส่วิมังสาปัญญาติดต o งเวลามันหลงมีปัญญาเปลี่ยนหลงไปไม่หลงทั้งหมดสำเร็จเลยทำมันทำให้สำเร็จเนี่ยอย่างที่เราสวดพระสูตร ในความเพียนขันธ์ว so ิยะคิดต so ่อหลังจากเพียนล่ากุศลเพียนสร้างอกุศลที่เกิดขึ้นถ้าอกุศลเกิดขึ้นเอกุศลอื่นยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นถ้ากุศลเกิดขึ้นแล้วอกุศลอื่นที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้มันมีหลงมีรู้เท่าในชีวิตเราทํำยังไง ทำได้ทุกคนปฏิบัติได้ให้ผลได้เปลี่ยนหลงไปไม่หลงเลยไต่ทางนี้ก่อนถ้าจะเดินตามธรรมพระลบธรรมไม่ใช่หมกมุ่นคะ้นหานะเปลี่ยนหลงไปไม่หลงต่อไปอันโกรธก็เปลี่ยนง่ายทุกข์ก็เปลี่ยนง่ายโลภ ก, ก็เปลี่ยนง่ายตัวผผมันคือความหลงถ้าจะเป็นอกุศลสามอย่า ง, างคือ หลงอยู่ตรงกลางโกรธอยู่ข้างซ้ายลูกอยู่ข้างขวาหลงอยู่ตรงกลางถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าหลงก็โลภได้ถ้าหลงก็ทูกได้สศกได้พอใจพอใจกับสติคู่กันกับคองหลงพอใจเมื่อเกันรอดคู่กับเกียร์หนาวคู่กับอุ่น ทั้งวันคู่กับกังเคืนเกิดคู่กับความเปนเกิดแก่คู่กับความเป็แก่เจ็จบคู่กับความเปเจบ็บตายคู่กับความเป็ตายมาเป็นคู่ย่อจนมองแบบนี้ชีวิตเราไม่หลงก็ได้ไม่โกรธก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้อยู่ตรงกลา ง, ลางนี่อันกลางไม่ใช่หลงนะกลางคือมรรคที่เราสาที่ยายไปเลยทางมาอยู่ตรงน อย่าด่วนซช่ยอย่าด่วนขวน่าเขาสนเสริญก็อย่าพึงไปยินดีเขาเน้นทาก็อย่าไปเสียใจยอยู่หรือเฉยไว้ก่อนถ้าไม่ใครเจ้าก่นมาเนี่ยเน้นทาเราก็ฟังอย่างใส่ใ จ, จเฉยเฉยถ้าเขามาสนใจเราก็อย่าก็ไม่รู้ไม่คิดไม่รู้ไม่คิดถ้าเขาเน้นทาก็ใส่ใจฟังดู เขาเสันเริญเขาอะไรต่างๆดูดีๆมันจะไม่เป็นไรไม่หวั่นไหวถ้าฝึกตนสอนตอ น, ไ น, นไนต ด, ด้แล้วโอเคสุดาแทกทึบม่สันเถินเขาหลมฉันเลยผู้ฝูกผลตนดีแล้วไม่หวั่นไหวเพราะนาเนินทาสรนเริญอยู่ในโลกได้อย่างสงงบนี่โลกแล้วถ้าไม่ฝึกตนสอนตอนจะลำบากตัวโูแพดแฝดจิตใจของเราน่ะมีใจก็เพิ่งมาได้ ยิ่งเราเป็นหมอเป็นสารนกศกเป็นเจ้าหน้าที่ดแูแลอะไรต่งางๆยิ่งมีคมุณธรรมให้มากขึ้นเป็นงานบนุญงานกุศลทุกชีวิตมีประโยชน์ตรงนั้นนาสร้างโลกด้วยมือห้านิ้วสิบนิ้วด้วยน่านใจที่เป็นกุศลธรรมในความเพียรขยันหมั่นเพียรในการรับความช่วยทำความดี จะได้ไปเป็นผัวที่ดีเป็นเมียที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นเพื่อ น, น, นที่ดีต่อกันทํางานทำงา น, นมีความสุขสนุกพ้ทํางานมีนแต่มรรคแต่ผลนี่แต่เพลงกล่องลูกของคนก็มีแต่มรรคแต่ผลเออนองโจมมรรคโจผลลักษณะคนทั้งกายทั้งใจ บ้านพี่บ้านา น, น้องปองดองกันบายพนาจิตใจมีใช่ทุกการะนายกายใจเป็นมรรคผลนิพพานเลยจบไอ้บัง <laughs> <laughs>